ทีมงานของเราต้องไปทํา ง, งานที่อำเภอศรีเชียงใหม่ตอนบ่ายโมงตรงแต่อย่างน้อยต้องไปถึงก่อนงานประมาณ11บเนาฬกาสนาทีเพื่อเตรียมงานก่อนพี่เอ๋คนขับรถเจ้าประจําของเรากับพี่ดาววิทยากรประจําบริษัทที่ออกเดินทางทุกครั้งที่มีงานต่างจังหวัดสอบถามประคนขับสา้อนในพื้นที่ถึงเส้นทางและระยะทางในการเดินทางไปอํเาเภอศรีเชียงใหม่ได้ความว่าระยะทางจากเมืองหนองคายถึงศรีเชียงใหม่ประมาณ50กิโลผมก็มดูนาฬิกาที่ข้อมือและพูดกับพี่แชมป์ ผู้จัดการที่เดินทางมาด้วยออกเดินทางสิบโมงเช้าก็น่าจะทันนะพี่งั้นเราไปเดินตลาดท่าเสด็จกันก่อนสักชั่วโมงพี่แชมป์พูดสรุปสุดท้ายพวกเราใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงที่ตลาดท่าเสด็จทุกคนต่างได้ของฝากทิ้วกลับมากระถุงสองถุงยกเว้นผมคนเดียวที่ไม่ได้ของที่ตั้งใจซื้อนั่นก็คือไหลบัวเชื่อมหลังจากนั้นเราออกเดินทางจากตัวเมืองเพื่อไปจัดงานประชุมที่อำเภอสีเชียงใหม่เส้นทางที่เราใช้เดินทางนั้น ล้อเลียมบน้ําขงไปตลอดมองเห็นวิวของฝั่งลาวเป็นระยะอากาศไม่ร้อนเกินไปนักบางช่วงมีฝนตกบ้างเล็กน้อยบรรยากาศในการเดินทางสบายๆไม่มีใครซีเรียสนักและก่อนถึงอําเภอศรีเชียงใหม่ประมาณสิกิโลเมตรเราต้องผ่านอําเภอท่าบอกเมื่อถึงทางแยกในตัวอําเภอท่าบอกเพื่อที่จะไปอําเภอศรีเชียงใหม่ผมเชี้ให้คนขับดูเส้นทางอีกเส้นหนึ่งซึ่งจะไปชนกับถนนมิตรภาพเส้นหลัก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 ปาร์ตชื่อดีสอดนี่คือมาเลิศหรือว่าลงการแท้เลยจริงๆแล้วผู้ที่เดินทางมาเข้าประชุมส่วนใหญ่เป็นชาวท่าบ่อแต่ที่ท่าบ่อไม่มีโรงแรมที่มีห้องจัดประชุมได้จึงต้องมาจัดที่ศรีเชียงใหม่ซึ่งการที่จะหาโรงแรมที่มีความพร้อมในการจัดประชุมในอำเภอเล็กๆไม่ใช่เรื่องงนะ่ายนักแต่ดีสอดที่นี่ความพร้อมในเรื่องของสถานที่ในการจัดประชุมถือว่าดีทีเดียวงานในช่วงบ่ายของวันนี้ผ่านไปด้วยดีมีคนมาร่วม ง, งานมากกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้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 ก็ยังอดสงสัยในเรื่องของเส้นทางไม่หายสายฝนยังคงสาดเม็ดออกมาเหมือนฟ้าร่วงสารถีมากประสบการณ์อย่างที่เอใช้ความเร็วได้ไม่มากนักจากปกติที่เคยนั่งรถกับแกแล้วให้ความรู้สึกเหมือนอยู่ในสนามแข่งแต่ครั้งนี้ความเร็วถูกจํากัดด้วยสภาพอากาศอยู่ที่60กิเมต่อชั่วโมงหลังออกมาจากร้านอาหารไม่นานหลายคนเริ่มจะหลับพเพราะเพลียจากการทํางานมาทั้งวันอีกทั้งเพิ่งทานอาหารมาอีกอีกและบรรยากาศเย็น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 เลี้ยวซ้ายไปหนองคายเส้นเลี่ยมแม่น้ำโขงแต่ถ้าตรงไปเราจะตัดเข้าถนนมิตรภาพมุ่งตรงสู่อุดรและขอนแก่ไปทางไหนพี่เอถามผมพร้อมกับยกเท้าออกจากคันเร่งเพื่อลดความเร็วถ้ากลับทางเดิมมันจะอ้อมนะพี่ผมว่าจรตัดไปทางนี้แหละใกล้กว่าทั้ง20กว่าโลเนะี่ยผมพูดขณะกางแผนที่จาก Google ดูแทนคาตอบสารถีประจำทีมเร่งเครื่องขับวิ่งตรงไปทันทีพี่เอคงไม่อยากขับอ้อมเหมือนกัน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 ผมถามพร้อมกับยันกายที่เองหลับให้นั่งตรงอืมผมขับตอบสั้นๆสายตายังจับจ้องอยู่ที่เส้นทางข้างหน้าผมก้มตูนาฬิกาที่ข้อมือแสงพลายน้ำที่เข็มนาฬิกาบอกเวลาสามทุ่มกว่าผ่านไปแล้วสองชั่วโมงกับเส้นทางไม่ถึง30กิโลมันไม่ใช่หลงทางธรรมดาเสแล้วทุกคนยังหลับสนิทความกังวลของผมเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณท่าทางวันนี้จะไม่ใช่วันที่ดีของผมเสแล้ว ผมปิดเครื่องเล่น MP3 แล้วค่อยๆถอดหูฟังออกจากหูบรรยากาศยังเงียบงันทั้งในรถและนอกรถมีแต่เพียงเสียงของเครื่องยนต์ทั้งนั้นที่ดูจะเป็นสิ่งแปลกปลอมในพื้นที่แห่งนี้คนอื่นๆยังคงหลับสนิทเหมือนถูกสาดสายฝนซามเม็ดลงไปมากแล้วแต่ก็ยังคงตกอยู่ปรยปรยคนขับต้องใช้ที่ปั่นน้ำฝนเป็นระยะๆแต่สิ่งที่เพิ่มเติมเข้ามาคือหมอกหมอกที่ลอยอ้อยอิงอยู่โดยรอบแม้จะไม่หนาทึบนัก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 หลังจากที่รถพ้นโค้งมาแล้วพันสายตาของเราทั้งสองคนก็มองเห็นไฟท้ายของรถยนต์อยู่ข้างหน้าห่างกันประมาณ50วา์เห็นจะได้ด้วยความมืดมิดของสถานที่และสภาพอากาศที่เต็มไปด้วยหมอกทำให้เรามองเห็นแต่แสงไฟสีแดงสองดวงของท้ายรถเพียงริบรีลังเลือนผมใจชื้นขึ้นมาทันทีไม่เห็นความหวังอยู่ข้างหน้าโดยไม่ต้องบอกอะไรกันอีกคนขับมากประสบการณ์ทดเกียร์ต่ำเพื่อเร่งเครื่องตามทันทีเดี๋ยวถามทางคนนี้ดูน่าจะได้เรื่อง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 ครนีพีเอเร่งเครื่องตามทันทีโดยไม่สนใจหลุมบ่อบนพื้นถนนแต่ตรงนั้นคนอื่นในรถก็ยังไม่มีสีท่าว่าจะตื่นรถแันข้างหน้ายังขับไปตามปกติแลอยอีกไม่ถึงสิบวาก็จะทันกันพีเอเปิดไฟสูงสิ่งที่ผมเห็นเบื้องหน้าทําให้ผมต้องขยี้ตาเพื่อจ้องมองอีกครั้งผมเห็นแต่แสงไฟแต่ไม่เห็นท้ารถระหว่างดวงไฟสีแดงทั้งสองดวงมันว่างเปล่าพีเอหันมามองหน้าผมทันทีเหมือนอยากให้ผมอธิบายสิ่งที่เห็นอยู่ตรงหน้า ผมไม่ได้ปรีกปากพูดอะไรสายตายังคงจับจ้องกับสิ่งที่เห็นอยู่เบื้องหน้าสงสัยจะเป็นรถมอเตอร์ไซค์สองคันขับคู่กันมาผมพยายามให้คําตอบกับตัวเองเพราะยังไม่แน่ใจนักและมองเห็นยังไม่ชัดพี่เอเร่งเครื่องยนต์เพื่อเข้าใกล้มากกว่า น, นี้แต่รถข้างหน้าเร่งความเร็วขึ้นอีกระยะห่างเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเรายังคงเร่งเครื่องขับตามไปเกือบหกิโลที่เราเร่งเครื่องยนต์เพื่อที่จะตามให้ทันและและ้วผมก็เอ่ยกับพี่เอด้วยน้ําเสียงหวาดๆผมว่าข้างหน้าเรามันไม่ใช่รถแล้วล่ะ ก็เห็นอยู่ว่ามันเป็นไฟท้ายรถไม่ใช่รถแล้วมันจะเป็นอะไรหรอกที่เอยังไม่เชื่อในสิ่งที่ผมบอกพี่ดูดีๆสิถนนขรุขระแบบนี้ขนาดรถออายังสันไปเจ้าเข้าและไอ้รถข้างหน้ามันนิ่งเกินไปเหมือนกับล้อรถมันไม่ติดพื้นเลยอะไฟท้ายที่เราเห็นมันแทบไม่สะเทือนเลยนะนิ่งยังก็ลอยอยู่อย่างนั้นอะผมพูดโดยที่สายตา ย, ยังไม่ราจากเป้าหมายที่อยู่เบื้องหน้าไม่ไกลพร้อมกับมือทั้งสองข้างที่ลูบขึ้นลงอยู่ที่ต้นแขนไม่ทันที่จะมีใครพูดอะไรกันต่อภาพที่เห็นเบื้องหน้าทําให้ผมขนลุกไปทัั้งตว ตามไม่กระพริบผ้าปากค้างเหมือนมีก้อนอะไรมาติดจุกอยู่ที่ลําคอไม่อาจเอ่ยอะไรออกมาได้แสงไฟที่ผมเข้าใจว่าเป็นไฟไท้ายของรถยนต์หรือรถมอเตอร์ไซค์มาโดยตลอดบัตรนี้เริ่มลอยสูงขึ้นจากพื้นถนนเรื่อยๆสูงขึ้นสูงขึ้นและค่อยๆลอยห่างออกจากกันผมจ้องตาไม่กระพริบใจเต้นแรงด้วยความตื่นเต้นประกนกับความกลัวกับสิ่งที่เกิดขึ้นตรงหน้าที่เอถอนเท้าจากคันเร่ทงทันทีมันลอยสูงขึ้นจนถึงยอดต้นยางพาราที่อยู่ข้างทาง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 ขับไปก่อนแล้วค่อยว่ากันอยู่ตรงนี้ไม่ดีนะผมต่อไปโดยที่ยังไม่รู้ว่าจะทํำยังไงดีคันเร่งถูกเหยียบอีกครั้งด้วยเท้าที่สั่นเทาเียงเครื่องยนตรคลางกระหึ่มฝ่าความมืดต่อไปโดยยังไม่รู้ว่าจุดหมายปลายทางของเราจะไปสิ้นสุดที่ใดในหัวของผมขนาดนี้แต่เป็นความรู้สึกที่ไม่อาจอธิบายได้มันสับสนวุ่นวายไปหมดจากจุดนั้นมาไม่ถึง5กิโลผมมองเห็นแสงไฟอีกครั้งแต่คราวนี้เป็นสีเหลืองนวลของไฟบอกทางมันทําให้ผมหายใจคล่องขึ้นมาก ทางด้านซ้ายของถนนมีป้ายบอกทางที่ทำจากไม้เก่าๆเขียนด้วยสีขาวแต่การเวลาก็ทำให้ข้อความบร น, นั้นเลือนรางเต็นทีมีรูปสอนชี้บอกทางให้เลี้ยวซ้ายข้างหน้าไปอีกสากิโลจะออกถนนเส้นมิตรภาพรอดแล้วเว้ยพี่เอพูดออกมาด้วยความดีใจผมหันไปมองหน้ายิ้มๆไม่ได้พูดอะไรก้มดูนาฬิกาข้อมือบอกเวลา2 1่สนาฬิก า, าทีถึงแม้จะร่วงเลยเวลามามากแต่ตอนนี้ผมรู้สึกปลอดโปรง่งขึ้นเยอะบัดนี้สายฝนขาดไม่ไปแล้ว สายหมอกที่เคยปกคลุมตลอดการเดินทางก็ดูหมืจจางหายไปด้วยหมดสิน้นเราขับใกล้ก็ไปเรื่อยเรื่อเริ่มมองเห็นสิ่งปลูกสร้างที่เป็นบ้านเรือนบ้างแล้วก่อนถึงเสาไฟที่ว่ามีหางกันนักทางด้านขวาของถนนเป็นกำแพงปูนสีขาวเหลืองเก่าคร่าๆสูงประมาณ1วาตั้งขนานไปกับเส้นถนนเมื่อสังเกตดีๆจึงรู้ว่าเป็นกำแพงวัดนั่นเองรู้จากสภาพแล้วมันคนทงทำหน้าที่บ่งบอกเขตแดนของวัดมาหลายสิบปีและที่ข้างกำแพงวัดแห่งนั้นใกล้กับเสาไฟไม่กี่วา ผมสังเกตเห็นผู้หญิงสองคนแต่งตัวเหมือนชาวบ้านเแ่านั้นยืนอยู่จากแสงไฟที่หัวเสาและไฟจากหน้ารถตู้ซึ่งขณะนี้ลดความเร็วลงแล้วเพราะข้างหน้าเป็นทางแยกทำให้เห็นใบหน้าของผู้หญิงทั้งสองคนอย่างชัดเจนมันเป็นใบหน้าที่เย็นชาไร้ความรู้สึกก้มหน้าเล็กน้อยยืนนิ่งเหมือนรอคอยอะไรบางอย่างก่อนที่รถของเราจะเคลื่อนผ่านไปผมต้องสะดุ้งอีกครั้งรู้สึกชาไปทั้งตัวเย็นว่าเหมือนมีใครเอาน้ำเย็นจับมาราด เมื่อผู้หญิงทั้งสงคนเหลือบตาขึ้นมาจ้องที่ผมทั้งที่ใบนหน้ายังก้ม อ, อยู่เหมือนกับรู้ว่าผมจ้องมองอยู่ก่อนแล้วพร้อมกับอ้าปากกว้างสยายยิ้มออกมาเหมือนจะเย้ยหยันมองเห็นในปากสีดําสนิทกลวงโบสเสมือนหลุมดําที่พร้อมจะกลืนกินทุกอย่างเข้าไปสายตาจ้องกระเหม่งมองตามรถที่เคลื่อนผ่านผมนั่งนิ่งตัวแข็งก้มหน้าลงทันทีถ้าทางพี่เอกคงไม่เห็นเหมือนกับผมหรือไม่ทันสังเกตถึงไม่มีปฏิกิริยาใดๆเกิดขึ้น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 โอ้ยอยังไม่ถึงอีกเหรอเนี่ยอ้ยหลับยาวเลยทั้งที่พี่เอกับช้านะเนี่ยขณะที่กําลังเติมน้ํามันพี่แชมป์และพี่ต่อลงจากรถจําอาเพื่อรด้ไปเข้าห้องน้ําพิดายังสารวนอยู่บนรถเพื่อหากระดาษทิชชู่พี่เอคนขับอยู่ประจํารถผมจึงเดินมากับน้องมดเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินหญิงสาวอีกคนของคณะทํา ง, งานพี่ตลอดทางหนูไม่ได้หลับเลยนะเธอเอ่ยขึ้นโดยที่ไม่ได้มองหน้าผมและพูดต่อ